บทที่48บาทหลวงศักชัยคืนวันสุดท้ายของการปฏิบัติท่านพระครูอนุญาตให้บาทหลวงศักชัยมาสอบอารมณ์ที่กุติของท่านบาทหลวงผู้นี้ปฏิบัติได้ก้าวหน้ากว่าบุคคลอื่นๆจึงต้องแยกมาสอบอารมณ์ให้เขาเป็นพิเศษ เป็นอย่างไรบ้างพองยุบชัดเจนดีไหมท่านป้อนคำถามชัดเจนดีมากครับหลวงพ่อผมจับพองยุบได้ตลอดเวลาที่นั่งบาทหลวงตอบถ้าเช่นนั้นลองบอกอาตมามาสิพองหนอกับยุบหนอเป็นอันเดียวกันหรือว่าคนละอันคนละอันครับทำไมถึงเป็นคนละอันเพราะทั้งพองหนอยุบหนอ ต่างก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปครับแล้วพองหนอแรกกับพองหนอหลังเป็นอันเดียวกันหรือเป็นคนละอันเป็นคนละอันครับเพราะพองหนอแรกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพองหนอหลังก็เช่นกันภาษาบาลีเรียกการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปว่าอุปทาติเต พังคะครับบาทหลวงเคยเรียนบาลีมาหรือท่านพระครูรู้สึกแปลกใจที่เขารู้ภาษาบาลีไม่เคยครับมันผุดขึ้นมาเองในนิมิตและผมก็เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งและจำขึ้นใจมันแปลกมากครับหลวงพ่อนั่นเขาเรียกว่าปัจจตังคือเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนอันเป็นคุณสมบัติของธรรมะ พระพุทธศาสนาถือธรรมะเป็นใหญ่ธรรมะก็คือความจริงของธรรมชาติการที่เจ้าชายสิทธัตถะเป็นพุทธะซึ่งแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะพระองค์ทรงค้นพบธรรมะทรงเป็นผู้ที่มีปัญญาอย่างรู้ถึงตัวธรรมะซึ่งเป็นความจริงของธรรมชาติพระพุทธศาสนาสอนว่า มนุษย์สามารถกลายเป็นพุทธะได้ด้วยการพัฒนาคือพัฒนาตนตามธรรมะตามกฎของความเป็นจริงกระทั่งสามารถอย่างรู้ธรรมะได้กระบวนการพัฒนาตนก็คือการปฏิบัติธรรมดังที่บาทหลวงกำลังปฏิบัติอยู่นี้เอาละอาตมาจะขอถามต่อไปอีกว่าขณะที่นั่งภาวนาเรากำหนดสติดูลมหายใจที่ท้องว่า พองหนอพองกับหนอยาวสั้นเท่ากันหรือไม่และเวลาที่กําหนดว่ายุกหนอคคำว่ายุกกับหนอยาวสั้นเท่ากันหรือไม่บาทหลวงตอบโดยไม่เสียเวลาคิดว่าไม่เท่าครับหลวงพ่อเวลาที่เรากําหนดพองหนอหรือยุบหนอจะแบ่งออกเป็นสี่ส่วน เป็นพองหรือยุบเพียงหนึ่งส่วนอีกสามส่วนเป็นหนอครับคำตอบของบาทหลวงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าสภาวะธรรมของเขาสูงขึ้นถึงขั้นที่สามารถบรรลุญาณส6หกได้แล้ววิปัสสนาจารย์แห่งวัดป่ามะม่วงจึงสอบอารมณ์เข้าโดยใช้ญาณส6หหรือโซลัสยานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอน และพระอัตกถาจารย์ท่านทรงจำสืบทอดกันมานานมาเป็นเกณฑ์วัดธรรมจักรสุของบาทหลวงผู้ซึ่งไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนามาก่อนหากก็สามารถเข้าถึงความเป็นผู้ถึงกระแสเพราะละสังโยชน์เบื้องต่ำได้สามประการคือสกยาทิฏฐิวิจิกิจชา้าและศีลปตปรามาศ จึงสามารถตัดอบายภูมิอย่างเด็ดขาดเขาจะไม่ไปเกิดในนรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานอีกแต่จะต้องเที่ยวไปในสุขติภูมิไม่เกินเจ็ดชาติก็จะเข้าถึงพระนิพพานอันเป็นการตัดขาดจากวัฏสงสารหรือวัฏจักรชีวิตโดยสิ้นเชิงนับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามคำสอนในพระพุทธศาสนา เมื่อตรวจสอบด้วยหลักการของพระพุทธศาสนาแล้วสมภารวัยห้าสิบเศษจึงตรวจสอบด้วยปริศนาธรรมที่ท่านเคยถูกหลวงพ่อในป่าตรวจสอบมาแล้วท่านจึงตรวจสอบด้วยปริศนาธรรมท่านพูดกับเขาว่าอาตมาขอถามปัญหาบาทหลวงขอให้ตอบตามประสบการณ์ที่ท่านได้ปัญหามีว่าอย่างไรครับหลวงพ่อ บาทหลวงศักชัยถามปัญหาที่อาตมาจะถามเป็นปริศนาธรรมที่หลวงพ่อในป่าเคยถามอาตมาเมื่อสามสิบปีมาแล้วตอนนั้นอาตมายังตอบไม่ได้ต้องเจริญสติปัฏฐานสี่อยู่ถึงสิบปีสิบปีเต็มๆจึงตอบได้ปัญหามีว่าอย่างไรครับเขาถามอีกท่านพระครูจึงบอกปริศนาธรรม อยากเรียนรู้ต่างหญิงคันหูอยากทําถูกตามเด็กเลี้ยงควายคนสามบ้านกินน้ําบ่อเดียวเดินทางเดียวอย่าเหยียบรอยกันณอยู่หัวสามตัวอย่าละนะอยู่ไหนไปตามเอามาให้ได้บาดหลวงศักดิ์ใจหลับตากําหนดคิดหนอคิดหนออยู่ประมาณห้านาทีจึงตอบ คำตอบของเขาเป็นที่พอใจของท่านพระครูเป็นอันว่าเขาผ่านการสอบอารมณ์ทุกขั้นตอนกล่าวคือนอกจากจะผ่านยานสิบหกแล้วยังสามารถตอบปริศนธรรมของหลวงพ่อในป่าได้ด้วยอัตมาขออนุโมทนาที่บาดหลวงเป็นผู้เข้าถึงกระแสขอพระคุณครับเป็นเพราะความเมตตาของหลวงพ่อ ที่ทำให้ผมได้มาพบของดีในพระพุทธศาสนาทั้งที่ผมนับถือคริสตเขาก้มลงกราบท่านสามครั้งด้วยสำนึกในบุญคุณจะนับถือคริสหรือว่านับถืออิสลามก็สามารถพบของดีได้เช่นกัน พระพุทธองค์ไม่ทรงห้ามหรือกีดกันศาสนกอื่นเพราะธรรมะคือความจริงของธรรมชาติไม่ใช่ความจริงที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติขึ้นแต่เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบและก็นำมาสั่งสอนชาวโลกใครปฏิบัติตามก็สามารถเข้าถึงความจริงได้โดยไม่ถูกจำกัดด้วยเชื้อชาติหรือศาสนา อาตมามีลูกศิษย์เป็นชาวนอร์เวย์ชื่อวิโก้บรูนทำงานเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยอยู่ที่มหาวิทยายลัยโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กเขาเป็นคนต่างชาติต่างศาสนายังมาได้ของดีกลับไปอาตมารู้สึกเสียดายแทนคนไทยอีกหลายล้านที่ไม่รู้จักของดี เหมือนที่วิกโก้กับบาทหลวงรู้จักอตมาจึงขออนุโมทนาด้วยอย่างยิ่งหลวงพ่อครับผมมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเลยครับเป็นความสุขที่ผมไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนรู้สึกเบากายเบาจิตและก็คิดที่จะสร้างความดีหนีความชั่วผมมั่นใจว่าจะไม่ทําความชั่วอีกตลอดชีวิตคนที่เข้าถึงกระแสเ ป, เป็นอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าครับ เขาถามเป็นอย่างนี้ทุกคนหากเข้าเหล่านั้นเข้าถึงสัจธรรมแต่อย่าลืมว่ามีของจริงก็ต้องมีของปลอมเหมือนมีหลงพอดทวดก็ต้องมีหลงพ่อเทียบหลงพ่อเทียมท่านพระครูยังพูดไม่ทันจบบาทหลวงก็เรียนถามขึ้นว่าหมายความว่าอย่างไรครับผมไม่เข้าใจขอประธานโทษที่ผมขัดจังหวะขึ้นมา เพราะผมต้องการทำความเข้าใจให้ท่องแท้ทุกขั้นตอนหลวงพ่อคงไม่ว่านะครับอาตมาไม่ว่าบาทหลวงทาถูกแล้วไม่เข้าใจอะไรก็ต้องถามอย่าให้ผ่านไปก่อนแล้วค้างคาใจทีหลังอัตมาพูดว่ามีของจริงก็ต้องมีของปลอมนั้นหมายความว่าคนที่เข้าปฏิบัติจริงเข้าถึงกระแสจริง แปลว่าเข้าถึงสัจธรรมจริงแต่คนที่ไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติคลึ่งๆกลางๆยังเข้าไม่ถึงกระแสแต่ไปคุยโวโออวดว่าตัวสำเร็จเป็นโซดาบันเป็นอรหรันในอนาคตคนประเภทนี้จะมีมากมายหลายหลากจะเป็นพระก่อตามหรือว่าคาเรหัดก่อตามเขาจะทำเช่นนั้นเพื่ออะไรครับหลวงพ่อ ผมมองไม่เห็นประโยชน์ของการทำเช่นนั้นเลยเพราะเป็นการหลอกลวงตนเองและผู้อื่นผู้เข้าถึงกระแสแสนจะสงสัยเพื่อลาบสักการะนาซีอัตมาเรียกคนพวกนี้ว่าพวกลวงโลกวังเอาลาบบาปที่สุดไม่น่าเลยนะครับผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมจะต้องทำแบบนั้น มันไม่คุ้มกันเลยกับการที่จะต้องไปเกิดในอบายภูมิถึงผมจะไม่นับถือพุทธมาก่อนแต่เมื่อผมมาปฏิบัติที่นี่แม้จะเป็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมได้อะไรจากาศาสนาพุทธมากมายและผมก็สอนตัวเองว่าผมจะไม่ทําชั่วอีกเลยในชีวิตผมจะเพียรพยายามละชั่วทำดีและทําจิตให้ผ่องใสจนกว่าชีวิตจะหาไม่ หลวงพ่อครับหลวงพ่ออย่าว่าผมนะครับหากผมจะกราบเรียนหลวงพ่อว่าผมจะต้องกลับไปสอนศาสนาคริสเพราะผมเกิดและเติบโตมาในวัฒนธรรมคริสที่ขขอส่งผมมาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ก็เพื่อจะนำไปสอนชาวคริสแต่บังเอิญผมโชคดีที่มาได้ของดีจากศาสนาพุทธทำให้ผมรู้ว่าพบชาติของผมสั้นลงผมมั่นใจว่า ผมจะเกิดอีกเพียงเจ็ดชาติแล้วก็จะเข้าถึงความหลุดพ้นจากทุกข์ถ้าผมไม่ได้มาเป็นศิษย์หลวงพ่อก็คงจะเวียนไหวยวกวนอยู่ในสังสารวัตอีกแสนจะยาวนานเป็นบุญของผมที่ได้มาพบพระพิสูจ์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาเช่นหลวงพ่อคาบอกเล่าของบาทหลวงศักชัยทำให้ท่านพระครูรู้ว่าเขาเข้าถึงความเป็นโสดาบัน ประเภทสัตตัคขตุปรมะ m a จึงได้อธิบายให้เขาฟังว่าผู้ที่เข้าถึงกระแสรเรียกว่าพระโสดาบันซึ่งหมายถึงพระอริยะบุคคลผู้ประกอบด้วยอริยมรกคมีองค์แปพระโสดาบันแบ่งออกเป็นสามประเภทคือสัตตัคขตุปรมะพระโสดาบันประเภทนี้จะเกิดในสุขติภพ เจชาติก็จะเข้าถึงพระนิพพานได้ประเภทที่สองคือโกลังโกละก็จะเกิดอีกสองหรือสามชาติก็จะเข้าถึงนิพพานได้ประเภทสุดท้ายคือเอกพีซี c, พระโสดาบันประเภทนี้จะเกิดในโลกมนุษย์อีกชาติเดียวเท่านั้นแล้วเขาจะเข้าถึงนิพพานได้ ผู้ที่เข้าถึงนิพพานเรียกว่าพระอรหันต์ใช่ไหมครับถูกแล้วพระอรหันต์เป็นพระอริยบุคคลผู้ละสังโยชน์เบื้องต่ำและเบื้องสูงได้ทั้งหมดนับเป็นพระอริยบุคคลระดับสูงสุดพระอริยบุคคลมีสีระดับก็ได้แก่พระโสดาบันพระสักธาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ เงียบกันไปครู่หนึ่งบาทหลวงศัก์ชัยจึงพูดขึ้นว่าหลวงพ่อครับผมรู้ว่ากลับไปราชบุรีคราวนี้ผมคงมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้เกินเจ็ดเดือนก็ต้องตายแต่ก็แปลกที่ผมไม่กลัวตายเมื่อก่อนผมกลัวมากมาบัดนี้ผมกลัวการเกิดไม่ปรารถนาจะเกิดอีก แล้วรู้ไหมว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นที่เป็นเช่นนี้เพราะภพชาติของผมสั้นลงนะครับหลวงพ่อเขาตอบได้ฉับพลันสมกับเป็นผู้เห็นสัจจะอย่างแท้จริงถูกแล้วพระอริยะบุคคลจะคิดไม่เหมือนกับปุถุชนผู้ที่ยังเป็นปุถุชนย่อม ปรารถนาการเกิดยินดีกับการเกิดแต่พระอริยบุคคลท่านเบื่อหน่ายการเกิดเพราะวัตจักรชีวิตของท่านกําลังจะสิ้นสุดลงคนที่เข้าต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏอีกนานจะมองไม่เห็นอริยสัจแล้วเขาก็จะหลมระเริงอยู่ในความสุขทางกายอันจะนําไปสู่การเวียนว่ายวกวนอยู่ในสงสารสาคร อยู่อย่างไม่รู้จักจบสิน้นอาตมาจึงขอชื่นชมที่บาทหลวงสามารถเดินทางข้ามห่วงแห่งสังสารวัตรได้แม้จะต้องใช้เวลาอีกเจ็ชาติก่อตามหลวงพ่อครับจะเป็นการละลาบละล้วงหรือเปล่าครับหากผมจะเรียนถามหลวงพ่อว่านอกจากนายวิโก้บรุนกับผมแล้วเคยมีชาวคริสต์คนอื่นๆอีกหรือไม่ ที่ได้ดวงตาเห็นธรรมที่มาปฏิบัติกับอาตมามีเพียงสองคนแต่ในอนาคตพระพุทธศาสนาก็จะไปเจริญรุ่งเรืองอยู่ในประเทศตะวันตกอย่างที่หลวงพ่อพุทธันพยาก์ไว้ว่าพระอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกถึงเวลานั้นชาคริสคงจะได้ดวงตาเห็นธรรมกันมากขึ้น แล้วก็จะมากกว่าชาวพุทธในประเทศตะวันออกเมื่อเทียบจำนวนกันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับเพราะชาวตะวันตกเขาพากันเบื่อความสุขทางวัตถุจึงสแสวงหาความสุขทางใจส่วนคนตะวันออกกลับมาลหลงไหลใยจรในความสุขทางวัตถุเพราะฉะนั้นแทนที่พวกเขาจะสแสวงหาความสงบกลับพาการแสวงหาวัตถุแทน แล้วก็พากันยึดติดในวัตถุจนมองไม่เห็นคุณค่าของความสงบทางใจนอกจากคนดีมีปัญญาเท่านั้นจึงจะมองเห็นความไร้แก่นสารของความสุขทางวัตถุแล้วก็มุ่งหาความสงบทางใจอันเป็นความสุขที่แท้จริงที่พระพุทธองค์ตรัสรับรองว่านัตติสันติปรมังสุขขัง สุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีบาทหลวงศักชัยรีบสนับสนุนว่าจริงครับหลวงพ่อข้อนี้ผมเป็นประจักษ์พยานได้เงียบกันไปสักครู่เขาก็ถามขึ้นอีกว่าหลวงพ่อครับชาวพุทธที่มาปฏิบัติกับหลวงพ่อมีที่ได้ดวงตาเห็นธรรมบ้างไหมครับมีมีหลายรายเชืระเป็นพระหรือครหัสครับ ก็มีทั้งพระและคฤหัตพระมีรายเดียวชื่อพระบัวเหียวส่วนคฤหัตก็มีหลายรายรายสุดท้ายเผุ่งตายไปเมื่อสิบปีที่ผ่านมาคือโยมององอาตมาเรียกแกว่ายายอองตาทิพจากนั้นท่านก็เล่าเรื่องของยายอองให้เขาฟังแล้วพระบัวเหียวยังอยู่วัดนี้หรือเปล่าครับผมอยากไปกราบท่าน ไม่อยู่แล้วพระโวเฮียวท่านไปอยู่กับหลวงพ่อในป่าซึ่งเป็นอาจารย์ของอาตมาบัดนี้ท่านได้สาเร็จเป็นพระอรหันแล้วหลวงพ่อในป่าท่านเคยบอกอาตมาว่าบุคคลที่ท่านให้กรรมฐานมีเพียงสามคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอาตมาและก็สิทธิ์ของอาตมา ซึ่งตอนนั้นอาตมาก็ไม่รู้จักพระโบวเฮียวจึงยังไม่ทราบว่าสิทธิ์ผู้นั้นเป็นใครปี2516จึงได้รู้จักเพราะพระโบวเฮียวมาขอบวชแก่กรรมที่วัดนี้แก่กรรมเสร็จท่านก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันหลังจากนั้นไม่นานท่านก็ขอกลับไปกาลสินเพื่อไปสร้างวัดอาตมาก็ไม่ได้พบท่านอีกเลย กระทั่งคืนวันหนึ่งท่านมาหาในนิมิตบอกว่าบัตรนี้ได้ไปอยู่กับหลวงพ่อในป่าและได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วแสดงว่าภพชาติของท่านจบสิ้นแล้วท่านไม่ต้องเกิดอีกส่วนผมยังต้องเกิดอีกตั้งเจ็ดชาติแค่เจ็ดชาติเท่านั้นไม่ใช่ตั้งเจ็ดชาติท่านพระครูแยง้งครับแค่เจ็ดชาติ แต่ก็ยังดีกว่าคนอีกหลายร้อยหลายพันล้านที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏจักรชีวิตหลวงพ่อครับผมอยากทราบเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผมเคารพพระองค์ท่านมากอยากทราบพระประวัติที่แท้จริงของท่านซึ่งผมมั่นใจว่าไม่ตรงกับที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้หลวงพ่อกรุณาเล่าให้ผมฟังจะได้หรือไม่ครับผมอยากได้ความรู้ติดตัวไปยังปัลโลกด้วย รออีกเจ็ดเดือนผมก็จะต้องตายด้วยเหตุผลที่ว่าพบชาติของผมสั้นลงท่านพระครูตรองดูแล้วว่าควรเล่าจึงได้เล่าให้เาฟังอย่างเก่าๆตามที่ได้ฟังมาจากหลวงพ่อในป่าอาจารย์ของท่านบอกว่าวันหนึ่งท่านจะได้พบกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านจะรอคอยในวันนั้นมาถึงท่านมั่นใจว่าจะต้องได้พบพระองค์ท่าน เพราะหลวงพ่อดำจะไม่พูดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้การได้พบกับสมเด็จพระพุทธจาจย์โตพระมรังสีในคราวไปศรีลังกาเมื่อ 2,515 ซึ่งอาจจะไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะได้พบก็ยังได้พบท่านจึงมั่นใจว่าจะต้องได้พบกับสมเด็จพระเจ้าตากสินแน่เพียงแต่ยังไม่ทราบชัดว่าเมื่อไร บาดหลวงศักชัยสนทนาอยู่กับท่านพระครูจนสองยามจึงกลาบลาท่านกลับไปยังที่พักเวลาเก้านาฬิกาขณะที่ท่านพระครูกำลังรับแขกอยู่ที่กุฏิชั้นล่างสตรีวยรัยห้าสิบเศษก็กรานเข้ามาหากลาบปลกปลกสามครั้งแล้วถามขึ้นว่า ลงพี่จำชันได้ไหมคะทุกคนที่นั่งณนะที่นั้นพากันมองหล่อนด้วยความไม่พอใจโดยเฉพาะที่ถูกหล่อนแซนคิวเองเป็นใครมาจากไหนละ่ะท่านพระครูแซงถามทำไมท่านจำอีเขียวไม่ได้หล่อนเป็นลูกไก่ของท่านสมัยยังยาววัยอีฉันเขียวงายมาจากกรุงเทพท่านนึกออกหรือยัง ไม่อยากนึกข้าไม่ชอบนึกถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วท่านหาทางเลี่ยงออกวันวันเกรงใจว่านางเขียวจะต้องมาเปิดโปงวีรกรรมอันงดงามของท่านงั้นฉันช่วยนึกให้ก็ได้ว่าแล้วก็หันหน้าไปทางญาติโยมประกาศว่าพ่อแม่พี่น้องฟังฉันนะฉันชื่อนางเขียวนามสกุลขาวบริสุทธิ์เป็นเพื่อนบ้านกับหลวงพี่องค์นี้ ท่นอายุอ่อนกว่าท่านสองปีแล้วก็เป็นผู้หญิงแต่ท่านแกล้งฉันทุกครั้งที่เจอหน้ากันยังไม่ทันได้พูดต่อก็ถูกขัดขึ้นข้าไปแกล้งอะไรเองลวงพี่จำไม่ได้แล้วหรือว่าตอนเด็กๆนะ่ะลวงพี่เกเรที่สุดในตําบลบางม่วงโมใครละ่ะที่เอาหางเปียชันไปมัดไว้กับกิ่งมะขามเทศให้ฉันยืนอดข้าวอดน้ําอยู่ตั้งสองสามชั่วโมง ใครล่ะที่พอถูกยายตีก็ต้องวิงมาเขกหัวฉันทุกทีก็เองอยากช่างฟ้องทำให้ข้าต้องถูกยายตีอ้าวนึกออกแล้วหรือฉันนึกว่าจะแกล้งทำเป็นจำไม่ได้เพราะอับอายญาติโยมนังเขียวได้ทีขีดแพะไล่เอาละเอาละที่เองมาเนี่ยตั้งใจจะมาประจานข้าหรือยังไง อะไรที่มนแล้วก่อแล้วกันไปก็ขอให้แล้วไปนะแล้วมาตั้งตนกันใหม่ดีกว่าเอาเป็นว่าข่าขอโทษก็แล้วกันเดี๋ยวเองไปกินข่าวที่โรงครัวให้อิ่มน้ำสาราญเสียก่อนจะได้อารมณ์ดีขึ้นกินหมากๆนะไม่ต้องเกรงใจค่ะให้กินฟรีไม่เอาเงินเองสักสลึงเดียวนึกว่าชดใช้กรรมที่ข้าทำกับเอง ท่านพระครูหาทางออกให้กินข้าวมื้อเดียวเพื่อชดใช้กรรมที่แกล้งชันเป็นร้อยๆครั้งเนี่ยนะเองจะอยู่ที่วัดเลยก็ได้จะได้กินเป็นร้อยๆมื้อไงละ่ะเองไม่รู้อะไรข้าววัดข้าเนี่ยกินแล้วรวยนะอย่าโยมมากินข้าววัดนี้แล้วกลับไปรวยตามๆกันคําพูดของท่านทําให้ทุกคนที่นั่งณที่นั้นคิดตรงกันว่า เดี๋ยวจะต้องไปกินข้าวที่โรงครัวกลับไปจะได้ร่ารวยถ้างั้นฉันขออนุญาตไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวจะมาคิดบัญชีกับหลวงพี่ใหม่ว่าแล้วก็กล่าบประลกปรลกสามครั้งแล้วลุกออกไปนั่งเขียวไปแล้วท่านพระครูจึงเล่าเรื่องที่ท่านแกล้งหล่อนไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อท่านเล่าจบ คนที่คิดไม่ชอบหล่อนก็ใจอ่อนพากันสงสารหล่อนไปตามๆกันอาตมาโดนยายเขียนทีไรก่อนึกในใจว่าสงสัยอีเขียวมาฟ้องต้องไปคิดบัญชีกับมันพอเจอหน้าก็เขหัวบ้างเอาหางเปียมัดไว้กับกิ่งมะขามเทศบ้างโยงเขียวก็ยืนร้องไห้อยู่เป็นชั่วโมงหายโกรธแล้วอาตมาก่อไปแก้ออกให้ อาตมาเกเรจริงๆอย่างที่แกว่านั่นแหละฉะนั้นญาติโยมอย่าไปนึกตำหนิกแกประเดี๋ยวจะเป็นบาปไปเปล่าๆท่านพูดแก้ต่างให้ลูกไล่ในอดีตเสร็จสับรับประทานอาหารอิ่มหนำสำราญแล้วนางเขียวอารมณ์ดีขึ้นจึงเดินเข้าไปกราบงามๆสามครั้งพูดว่าขอบใจหลวงพี่มากนะจ๊ะ ฉันอโหสิกรรมให้หลวงพี่แล้วขอให้อยู่กับผ้าเหลืองไปนานๆอย่าสึกออกมาเขกหัวใครอีกในขนาดอาโหสิกรรมก็ยังถากถางด้วยคำพูดไม่เบาเหมือนกันนะเองนะ่ะจะเบาได้ยังไงฉันหนักตั้งหกสิบแปดกิโลคราวนี้นางเขียวสวมบทบาทคนยวนท่านพระครูมองหน้าหล่อนก็รู้ว่ามรืนนี้ หล่อนจะต้องตายด้วยอุบัติเหตุจึงบอกหล่อนว่าเองมาเข้ากรรมฐานเจ็ดวันนะข้าดูหน้าแล้วเองกำลังมีเคราะห์มาเข้ากรรมฐานสะเดาะเคราะ์เสียเชื่อข้าเถอะเข้าได้ยังไงล่ะหลวงพี่มารืนวันเกิดฉันลูกเขาจะพาไปเที่ยวเออข้ารู้แล้วลูกเองเขาจะพาเองไปเที่ยวพัทยา แต่เองไปไม่ถึงพัทยาหรอกต้องตายแทะกลางทางลูกสาวเองก็ตายด้วยส่วนลูกชายเองเป็นคนขับก็จะบาดเจ็บสาหาัสหลังจากนั้นก็จัดกลายเป็นคนพิการถ้าเองไปรับรองตายแน่คนที่ขาดทักษแล้วไม่เชื่อตายทุกรายถ้าเองไม่เชื่อก็เชิญไปเลยผัวเองก็เพิ่งตายด้วยอุบัติเหตุเมื่อปีกลายไม่ใช่หรือ ถ้าเองคิดว่าจะตามไปอยู่กับเขาข้าก็ขอบอกว่าไม่เจอกันแน่เพราะคนเราต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปไม่เชื่อข้าก็ไม่เป็นไรแล้วอย่าหาว่าข้าไม่เตือนก็แล้วกันไม่เชื่อหลวงพี่แล้วจะเชื่อใครล่ะฉันนึกไม่ถึงเลยว่าเด็กเกเรยอย่างหลวงพี่จะรู้อะไรอะไรเกี่ยวกับครอบครัวฉันทั้งที่ไม่เจอกันมาตั้งหลายสิบปี เอาเถอฉันจะอยู่กรรมาฐานเจ็ดวันเพื่อให้หลวงพี่ชดใช้กรรมที่ทำกับฉันเรื่องพัทยาค่อยไปปีหน้าก็ได้